ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจร่างกายและจิตใจจะอยู่ได้อย่างรล่มเยินเป็นสุขจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งถ้าร่างกายปราชจากที่พึ่ง จิตใจปราศจากที่พึ่งร่างกายก็จะไม่สบายจิตใจก็จะไม่สบายแต่ถ้าร่างกายและจิตใจมีที่พึ่งของตนสมบูรณ์ร่างกายก็จะสุขสบายจิตใจก็จะสุขสบายดังนั้นถ้าพวกเรา ต้องการให้ชีวิตของพวกเราทั้งร่างกายและจิตใจมีความสุขมีความสบายเราก็ต้องหาที่พึ่งมาให้กับร่างกายและให้กับจิตใจที่พึ่งของร่างกายกับของจิตใจนี้ไม่เหมือนกันใช้แทนกันไม่ได้ าที่พึ่งทางร่างกายมาใช้แทนที่พึ่งทางใจไม่ได้ที่พึ่งทางใจก็เอามาใช้แทนที่พึ่งทางร่างกายไม่ได้ต้องเป็นของใครของมันที่พึ่งทางร่างกายก็ต้องเป็นที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางใจก็ต้องเป็นที่พึ่งทางใจ เราจึงต้องมาศึกษาให้รู้ว่าที่พึ่งของร่างกายกับที่พึ่งของจิตใจนี้เป็นอะไรมีอะไรบ้างสำหรับร่างกายคิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะรู้กันเพราะว่าถ้าไม่รู้ป่านี้ร่างกายของเราก็คงจะ ตายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วคือตายไปเพราะขาดที่พึ่งทางร่างกายแต่ตอนนี้ร่างกายของพวกเรายังอยู่อย่างสมบูรณ์มีความสุขมีความสบายเพราะพวกเรามีที่พึ่งทางร่างกายกันที่พึ่งทางร่างกายคืออะไร ก็คือหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มสามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคพวกเราทุกคนนี้เชื่อได้ว่ามีกันทุกคนวันนี้รับประทานอาหารกันหรื อ, อยังรับประทานแล้วมีเสื้อผ้าสวมใส่หรือเปล่ามีมีที่อยู่อาศัยหรือเปล่ามี เวลาไม่สบายมียารักษาโรครับประทานหรือเปล่ามีนี่แสดงว่าร่างกายนี้มีที่พึ่งสมบูรณ์แล้วส่วนที่ที่พึ่งของจิตใจนี้คืออะไรที่พึ่งของจิตใจของชาวพุทธเราก็คือพระรัตนตรยพระรัตน แปลว่าอัญญมณีใจแปลว่าสา ม, มเรามีอัญญมณีทั้งสามก้อนสามชิ้นเป็นที่พึ่งของพวกเราแต่อัญญมณีนี้ไม่ได้เป็นอัญญมณีที่เรารู้จักกันคือเพชรเนินจินดาต่างๆเพชรเนินจินดานี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจนะ อัญญมณีที่เป็นที่พึ่งของใจนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําไมเราจึงเปรียบเทียบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอัญญมณีก็เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีคุณค่าเหมือนกับอัญญามณีเแผ่นหนินจินดานี้พวกเราคงจะรู้คุณค่าของมันมีแพชนสักเม็ดหนึ่งนี่ สามารถที่จะเอาไปขายเอาไปแลกเป็นเงินมาซื้ออะไรได้มากมายคุณค่ามหาศาลอยู่ที่อัญมณีอัญมณีคือพระรัตนตรยัยนี้ก็มีคุณค่ามหาศาลเพราะผู้ใดมีพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งของใจแล้ว จะได้ความสุขอันน้ำค่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าอัญมณีคือเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะสามารถซื้อหามาได้พวกเราทุกวันนี้คงจะรู้จักความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกนี้พวกเราหากันมีกันก็ต้องมี เงินทองเป็นเครื่องที่จะซื้อความสุขต่างๆซื้อรถยนต์ซื้อคอนโดหรูหราซื้อเสื้อผ้าสวยงามซื้ อ, อความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราต้องมี เงินทองมีอัญมณีมีเพชรนินจินดาที่เราสามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองมาซื้อความสุขชนิดต่างๆได้ความสุขชนิดต่างๆที่เราซื้อได้ด้วยเงินทองนี้สื้อความสุขที่เราได้จากพระรันตนตรัยไม่ได้นะ ความสุขที่เราได้จากพระรัตนตรัยนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะความสุขของพระรัตนตรัยนี้เป็นความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์ความสุขที่เราได้จากเงินทองที่เราไปซื้อมาเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะว่า ความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ถาวรเวลาเราได้มาเราก็มีความสุขกันแต่พอเวลาเราสูญเสียไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่นี่คือความสุขชนิดต่างๆที่เงินทอง ซื้อหามาให้กับพวกเราจะต้องมีความทุกข์ตามมาไม่ช้าก็เร็วถ้าเปียบเป็นอาหารเช่นเนื้อปลาก็เป็นปลาที่มีก้างติดมาด้วยเราคงจะรู้ว่ากินเนื้อปลาที่มีก้างติดมาเป็นอย่างไร พอเผอพอพลาดพลัง้งก็ถูกก้างต่ำปากเอาเจ็บปวดนะแต่ถ้ากินเนื้อปลาแบบไม่มีก้างเราก็รู้ว่าเป็นอย่างไรเช่นลูกชิ้นปลานีา่กินเข้าไปไม่ต้องกลัวกัดอย่างไหนกินแบบไหนกินแบบใดจะไม่มีก้างมาต่ำคอเราเอาันนี่คือความสุข ทางโลกกับความสุขจากที่เราได้จากพระรัตนตรัยความสุขที่ได้จากพระรัตนตรัยนี่เป็นเหมือนลูกชิ้นปลาไม่มีก้างคนทาลูกชิ้นปลาเขาเอาก้างออกไปก่อนเห็นพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านแกะก้างออกจากเนื้อปลาที่เราจะกินกัน ท่านเอาความทุกข์ออกจากความสุขความทุกข์ที่ซอ่อนติดอยู่ในความสุขท่านแกะออกไปหมดเหลือแต่ความสุขล้วนๆถ้าเรามีพระรัตนนาตายเป็นที่พึ่งเราก็จะมีแต่ความสุขล้วนๆแต่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นอะไร ความสุขที่ในโลกนี้ที่พวกเราหากันก็สรุปได้สี่ข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งลาบลาบคือเงินทองทรัพสมบัติเก้าของเงินทองสองยศคือตำแหน่งอำนาจาการมียศก็คือมีอำนาจมีตำแหน่งเป็นนายกมีอำนาจไหมเป็นหัวหน้ามีอำนาจไหม หัวหน้าสั่งลูกน้องได้ให้ไปทำนู่นให้นี่ให้หน่อยอยากจะกินกาแฟก็สั่งให้ลูกน้องจัดกาแฟมาให้กินได้ถ้าไม่เป็นหัวหน้าไปสั่งเขาเขาก็ไม่ทำให้เรากินแต้วทุกคนอยากจะมียศกันอยากจะมีอำนาจกันแล้ว ส, สิ่งที่สามเราอยากมีกันก็คือสรรเสริญ เราชอบให้คนยกย่องเยินยอเราชมเราว่าเราดีอย่างนั้นสวยงามหล่อเราเก่งกาจพอมีใครสรรเสริญยกย่องยิ้มแป้นเยเมีความสุขสิ่งที่สี่ทพวกเราอยากได้กันให้ความสุขกับเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆ ภาพยนตร์นี้เป็นรูปหรือเปล่าเป็นเสียงหรือเปล่าเพลงนี้เป็นเสียงหรือเปล่ามิวสิกวิดีโอนี้เป็นภาพเป็นเสียงหรือเปล่าเด็กสมัยนี้ดูปับ๊บเต้นปุ๊บเต้นปั๊บกันเลยไม่ต้องสอนใครแต่ได้ดูได้เห็นนั้นนันเองเต้นกันได้าวานี้มีเด็กตัวเล็กอยู่ปัหนเองมั้ง พอเปิดมือถือหน่อยมีเสียงเพลงหน่อยเต้นยักยักยึกยักมีความสุขไหมเวลาได้ดูได้ฟังได้เต้นแล้วขนมที่เราชอบกินนี่เวลาได้กินอร่อยไหมอาเลตอร่อยไหมได้รสของขนมเป็นยังไงได้กลิ่นของเครื่องเดิมกาแฟเป็นยังไงากาแฟกลิ่นกาแฟนี่มันรู้สึกมันหน้าน่าสน ดึงดูดจิตใจนี่แหละคือความสุขทางโลกนี้มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันคือราบยศจรลเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขใช่ไหมเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่ออกคนยิ้มปั้นกันหลายคนวันนี้เพราะอะไรราบมาแล้ว เงินมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปเห็นคนที่เขาเสียลาบว่าเป็นยังไงคนที่ไม่ถูกกอตเตอรี่เป็นยังไงหน้าบึง้งหน้าจืดชืดไม่มีชีวิตชีวามีความทุกข์นี่แหละคือลาบมันมีทั้งสองด้านมีทั้งการได้ลาบและมีการไม่ได้ลาบหรือเสียลาบไป เวลาได้ราบก็ดีใจเวลาเสียราบก็เสียใจ เ, เวลาได้ยศก็ดีใจ เ, เวลาเสียยศก็เสียใจ เ, เ, เวลาเป็นนายกนี้ดีใจกันทุกคนเดี๋ยวพอหมดวาระจากการเป็นนายกาก็เสียใจ เ, เวลามีใครสรรเสริญก็ดีใจ แต่พอมีใครนินทาก็เสียใจเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปัตตะที่ถูกใจก็ดีใจพอสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเศร้าใจเกิดความเหงาขึ้นมานี่แหละคือก้างของความสุขทางโลกคือความทุกข์ใจเพราะ ธรรมชาติของความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวมันได้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบประมาณนี้หุ้นที่ดาวโจนตกเกือบสามพันจุดเนี่ยตกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้น ไม่เคยตกมากขนาดนี้ดูคนที่เคยมีเงินไม่รู้กี่ร้อยล้านเหลือไม่กี่ล้านนี่แหละคือธรรมชาติของลาบเป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีมามีไปคนฉลาดจะเห็นว่ามันไม่เที่ยง แต่คนไม่ฉลาดนี่จะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะจะเห็นว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวมันจะมาอย่างเดียวแต่พอมันไม่มาตอนนี้เงินเดือนของคนงานนี่มันจะไม่มาแล้วเพราะว่าไม่มีงานจะทำกันตอนนี้โรง แ, แรมแถวพัทยานี้ปิดกันเป็นละนาวเลยต้องปลดคนงานพักคนงาน ให้พักแต่ไม่ให้เงินเดือน mm hmm. นี่แหละเรียกว่าลาบ mm hmm. คนฉลาดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านไม่หลงกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงเก่นรส mm hmm. เพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญา mm hmm. ท่านเห็นความไม่เที่ยงของลาบยศสารเสริญสุขนี่เองเห็นว่าเป็นของชั่วกราว mm hmm. มีการเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบไปเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศไปเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาถ้าไม่อยากชี้จานได้ความทุกข์จากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสที่เวลามันเสื่อมคนฉลาดก็จะไม่ไปหาราบยกสารเสริญสุขหาราบหารูปเสียงกลิ่นรส <c oughs> เหมือนกับคนฉลาดที่มีเนื้อปลาที่ติดก้างกับมีลูกชิ้นปลาเนี่ยคนที่ไม่อยากที่จะต้องมากังวลกับเรื่องก้างที่ติดอยู่กับเนื้อปลานี้ก็เลือกกินลูกชิ้นอยู่ก พวกชิ้นป่านี้กินง่ายกินแล้วสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกก้างตปาปปากเอาอันนี้ก็เหมือนกันพระรัตนตไยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยท่านฉลาดตรงที่ท่านเห็นท่านรู้ความสุขสองรูปแบบ<ม>ความสุขที่มีทุกข์กับความสุขที่ไม่มีทุกข์เนี่ย ทานก็เลือกเอาความสุขที่ไม่มีทุกข์นีความสุขที่ไม่มีทุกข์นี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการหนึ่งทบุญทำทาน 2. เกิดจากการรักษาศีลสเกิดจากการภาวนาคือการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบและเจริญปัญญาเพื่อให้ใจเห็นไตรลักษณ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในราบยศสรเสริญสุขนี้เองถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้ผู้นั้นก็จะได้พบกับความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่ารถแห่งธรรมรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง เพราะเป็นรสที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ไม่เหมือนกับรสของความสุขทางโลกทางร่างกายเป็นความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วยไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอก้างเจอทุกข์กินปลาที่มีก้างเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีก้างติดฟันติดคอแต่ถ้ากิน ลูกชิ้นป่านี่ไม่มีก้างติดคอถ้าหาความสุขจากการทําบุญทาทานการรักษาศีลการภาวนานี่จะไม่มีความทุกข์ตามมานี่แหละคือความวิเศษของพระรัตนตรัยเพราะไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้นั่นเอง นอกจากพระพุทธเจ้าแล ะ, ะาภาษาวกของพระพุทธเจ้าท่านั้นที่ได้ศึกษาด้วยการปฏิบัติจิตตภวนาคือสมสถภวนาและวิปัสสนาภวนาถึงจะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขทางโลก เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของราบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผทพภะผู้ที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพวกเรานี้มองไม่เห็นถึงแม้จะบอกก็เหมือนเป็นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นบอกแล้วก็ยังกลับไปหาปลาที่มีก้างกินอยู่นั่นบอกว่าราบยศสารเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมีทุกตา ม, มานะ ก็ไม่ฟังฟังแต่ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามแต่คนที่ฉลาดนี้พอได้ยินอย่างนี้ปั๊บเลิกทันทีเลยเปลี่ยนพิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเคยหาความสุขจากราบยศสารเสนจากรูปเสียงกลิ่นรสพลิกเป็น ไปหาความสุขจากการทำบุญทำทานเลยหุ้นเหลือเท่าไหร่ขายทิ้งหมดนะเอาไปทำบุญทำทานให้หมดแล้วก็จะได้ไปรักษาศีลไปบวชได้เพราะเมื่อได้บวชแล้วจะได้มีการภาวนาเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเพื่อที่จะได้สัมผัสกับลสแห่งธรรมที่ชนะลสทั้งปวงนะ หาไม่เชื่อไม่แน่เนี่ยอาจช่วงนี้อาจจะมีคนที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าแล้วเห็นไตรลักษ์ในราบยศสาะเสริญสุขเนี่ยก็อาจจะไปบวชเลยก็ได้ไหนเสียหุ้นหุ้นเสียไปลหลายสิบเปอร์เซ็นต์ละเลยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ขายไปดีกว่าทำบุญไปดีกว่า เอาเงินไปทำบุญเอาไปให้ใครก็ได้เช่นถ้ามีลูกมีเมียมีสามีก็ยกให้ลูกเมียสามีภรรยาไปตัวเองก็ไปบวชเนียเรียกว่าทำทานมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็สลาไปให้หมดเลยถึงจะได้ไปสร้างความสุขทางใจได้ถ้ายังไม่มี ถ้ายังมามัวยุ่งกับการรักษาหุ้นรักษากิจการของตอนอยู่นี่ก็ต้องมาเครียดมาทุกกับตอนนี้จะแก้ปัญหายอย่างไรตอนนี้กิจการมันหยุดชะงักลงแล้วนแล้วก็ทรัพย์สินที่เคยมีนี่มันลดเหลือลงไม่กี่บาทแล้วต้องมาเครียดมาทุกกับมันแต่พอ ได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมรู้ว่าความเครียดความทุกข์เกิดจากการที่ไปติดพันกับลาบยศรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองก็ถอนตัวออกมาดีกว่าไปกินปลาที่มีก้างทำไม พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเนื้อปลาที่ไม่มีก้างอยู่อีกจานหนึ่งไม่ตากอีกจานหนึ่งดีกว่าจานนี้มีแต่ก้างกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวถูกก้างตําปากอาหารอีกจานหนึ่งมีลูกชิ้นมีเนื้อปลาล้วนๆถ้าอยากจะได้ก็ไปบวชกันการที่จะได้ความสุขแบบไม่มีความทุกข์นี้ต้องไปบวชกันถึงจะได้ เพราะถ้าเป็นคาราวาสเป็นผู้ของเรือนี้มันจะได้ไม่สมบูรณ์เพราะจะไม่มีเวลาเต็มร้อยที่จะม า, ะ ต, าตักตวงความสุขที่ไม่มีความทุกข์เพราะยังจะต้องมีภาระถ้าเป็นคาราวาสผู้ของเรือนนี้ยังมีภาระกับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วยังไปหลงติดอยู่กับความสุขแบบมีก้างอยู่เขายังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ไปที่บวชไม่ได้ก็เพราะความติดในกามสุขนี้เองของผู้ที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่แต่ของผู้ที่ไปบวชนี่เขาตัดความความอยากหาความสุขจากกามสุขได้เขายอมอด ยอยามอดดูหนังฟังเพลงอดร้องรำทำเพลงอดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อดไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลาไปสร้างความสุขแบบไม่มีความทุกขน์นัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่ไม่มีความทุกขน์นี้เกิดจากการทำใจให้สงบ เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบน่ะนัตติสันติพลังสุขขังการที่จะให้มีความสุขแบบนี้ได้จำเป็นจะต้องไปปรีกวิเวกอยู่คนเดียวแต่ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์ แต่เวลาปฏิบัตินี้จะแยกกันแต่เวลาทากิจจำเป็นนี้ทาร่วมกันได้อยู่ในวัดเดียวกันได้แต่เวลาปฏิบัตินี้แต่ละคนจะแยกกันอยู่แยกมีที่ปฏิบัติของตนต้องมีที่วิเวกที่สงบวิเวกทางกายแล้วมันจะช่วยทำให้เกิดวิเวกทางใจ วิเวกก็คือความสงบสงดัดทางกายคืออะไรคือห่างไกลจากผู้อื่นนั่นเองเพราะถ้าอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้มันไม่วิเวกเดี๋ยวก็ชวนคุยกันชวนคยคุยไปคุยมาเดี๋ยวหิวน้ำก็ชวนไปเดิมกาะงกาแฟกันแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมนมเนยกันมันก็จะไปเสพกลามกันอีกแต่ถ้าปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะ ก็จะไม่มีใครมาชวนคุยชวนกินชวนดืม่มนะก็จะมีเวลาจเจริญสติได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยนะที่จะทาที่จะเอาสติมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดเพื่อที่จะทำให้ใจสงบใจนิ่งนะพอใจสงบใจนิ่งก็จะได้เสพสัมผสัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะหายเหนื่อยเลย เวลาเจรินสตินี้จะรู้สึกเหนื่อยเหมือนปีนเขาพุทโธพุทโธแต่ละคำนี่รู้สึกว่ามันหนักปากหนักอะไรเลอะเกินไม่เหมือนกับขนมนมเนยนี่มันรู้สึกเบาพอคิดถึงเรื่องขนมนมเนยนี่มันเบามันบาได้อย่างพูดพลาดแต่เวลาคิดถึงพุทโธพุทโธนี่มันเหมือนกับแบกก้อนหินจะพุทโธได้แต่ละคารู้สึกว่ามันหนักมันยากเลอเกินแต่พอ ใช้พุโทโธหยุดความคิดได้ทําใจให้สงบได้นิ่งสงบได้นี่จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากดื่มกาแฟกินขนมเนี่ยดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆต้องอดทนผู้ที่ต้องการที่จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบนี้ ต้องมีความอดทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรบากบัน่นต้องพยายามบังคับใจให้พุโทโธพุโทโธให้ได้เพื่อที่จะหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้ถ้าความคิดในทางธรรมคือพุโทโธมีกาลังมากกว่าความคิด ที่จะไปในทางราบยศจลเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวใจก็สงบใจก็นิ่งขึ้นมาแล้วจะเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนตั้งแต่เกิดมาความสุขที่เคยได้ทางตาหูจมูกลิ้นกาพอมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหมือนฟ้ากับดินเหมือนนรกกับสวรรค์เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น แล้วพอได้ครั้งแรกครั้งเดียวนี้มันจะติดใจนะทีนี้ไม่รู้กำลังใจไม่รู้มันมาจากไหนมันมาแบบที่ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องเรียกมันทีนี้มันมันจะคอยดันให้แต่พุโทโธพุโทโธคอยดันให้ไปปีกวิเวกคอยดันให้ไปนั่งสมาธิให้ไปเดินจงกรมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่คิดถึงลาบยศ ส, สรเสิญนะ มันจะคิดแต่พุทโธพุทโธพุทโธหรือถ้าไม่พุทโธก็อาการสามสิบสองั่งก็ได้หรือบทสวดมนต์ก็ได้หรือเฝ้าดูาริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้วิธีการเหล่านี้สลับใช้กันได้เป็นวิธีการเพื่อเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อหยุดความคิดแล้วเวลานั่งก็ใช้การดูลมหายใจก็ได้ นี่ก็เป็นวิธีเจริญสติอีกแบบหนึ่งการดูลมหายใจเรียกว่าอะอาณาปานสติลมเข้าลมออกหรือลมออกลมเข้านี่ยอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกหรือลมออกลมเข้าเราจําผิดเลยไม่ดูอาณาปานะตัวไหนเป็นเข้าตัวออกตัวหนึ่งมันเข้าตัวหนึ่งมันออกอาณาปานะแปลว่าลมออกลมเข้าหรือลมเข้าลมออก สติก็คือการเําเลือกลุ้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจลมมันเป็นของละเอียดถ้าใจมีสติน้อยใจไม่ละเอียดจะดูลมไม่ได้ถ้ายังดูลมไม่ได้ก็ให้ใช้พุโทโธไปก่อนหรือดูร่างกายไปก่อนเวลาร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ร่างกาย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นะพอไปคิดเรื่องอื่นนี่แสดงว่าไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะกําลังทําอะไระเดี๋ยวเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ถือแก้วไม่มีสติเดี๋ยวแก้วหลดหลด่นตกไปได้นะแต่ถ้ามีสติคอยดูอยู่ตลอดเวลากําลังหยิบแก้วขึ้นมาถ้ามีถ้าไม่มีสติหยิบแก้วขึ้นมาแล้วไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวบางทีปล่อยแก้วให้ตกไปก็มีเพราะจิตไม่ได้อยู่กับ การกระทำของร่างกายนี่คือวิธีเจริญสติชนิดต่างๆแบบต่างๆที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ตามกำลังของตนถ้าดูลมไม่ได้ถ้าไม่ได้นั่งก็เวลาเคลื่อนไหวอะไรจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ดูการกระทำของร่างกายก็ได้ หรือจะสวดอิติปิโสไปภายในใจก็ได้เวลานั่งก็เหมือนกันเวลานั่งก็เลือกเอาถ้ายังดูลมไม่ได้ก็พุทโธถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปถ้าสวดไม่ได้ยังคิดฟุ้งอยู่ก็ลองฟังเทศฟังธรรมดูเปิดธรรมะฟังไปให้ใจมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังไปก่อน เป็นวิธีการเจริญสติควบคุมจิตไมนะ่ให้ลอยไปถึงไปกับความคิดต่างๆพยายามฝึกไปเดี๋ยวใจมันก็จะเริ่มตั้งมั่นได้มันก็จะเริ่มรู้สึกเบาสบายเวลาจิตเริ่มตั้งมัน่นไม่ลอยไปกับกระแสะความรู้สึกถึงแม้จะไม่สงบแบบร้อเปอนตแต่เริ่มรู้สึกเบารู้สึกสบายใจเป็นเหมือนกับ ปุยนุ่นเหมือนกับเดินอยู่บนบนเมฆมันนุ่มเดินจงกรมนี่ตอนต้นเดินแล้วรู้สึกวามันหนักเท้าหนักอะไรไปหมดแต่พอมีสติเกิดขึ้นมาปั๊บนี่มันเหมือนลอยอยู่บนอากาศลอยอยู่บนเมฆเดินบนเดินทางจงกรมนี่รูเสึกมันนุ่มมันสบายมันไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเดินได้เป็นชั่วโมงเออ เพราะมันมีความเพลิดเพลินมีความสุขจากการมีสตินแล้วพอมานั่งมันก็จะดูลมได้หรือจะใช้พุโทโธก็ได้ถ้าถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธถ้าชอบดูลมก็ใช้การดูลมไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งเต็มรอยขึ้นมาพอจิตนิ่งสงบเหลือสักดิ์แต่ว่ารู้เรียกว่าเอกขักกตาลมจิตเป็นหนึ่ง มีอารมณ์อันเดียวคือผู้รู้รู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็มีอุเบกขาคือมีความเป็นกลางในอารมณ์ไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในจิตในขณะนั้นมีอะไรมาให้จิตรับรู้ตอนนั้นจิตจะไม่รู้สึกรักชังกลัวหลงมีความเจ็บปวดตามร่างกายในส่วนต่างๆจิตก็จะไม่รู้ จะไม่มีความรู้สึกอะไรกับความเจ็บปวดเหล่านั้นอยู่กับความเจ็บปวดนั้นได้เหมือนกับอยู่กับของที่เราชอบของที่เราโปรดนี่คือลักษณะของจิตที่สงบจิตสงบนี้จะเป็นจิตที่ว่างจากอารมณ์ต่างๆเวลาสัมผัสกับอารมณ์สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจิตจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อน ได้ยินข่าวว่าหุ้นลงสามพันจุดก็เฉยเฉยได้ยินข่าวว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกดูดเดินกับสิ่งเหล่า น, นี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนหยดน้ําบนใบบัวหยดน้ําบนใบบัวนี่มันจะกิ้งไปกิ้งมามันจะไม่ถูกใบบัวดูดซึมเข้าไปจิตใจก็เป็นอย่างนั้น ใจิตใจเวลาสัมผัสกับอะไรจิตใจจะไม่ดูดซึมมันเข้ามาถ้าจิตใจมีอุเบกขาในทางตัวกันข้ามถ้าจิตใจไม่มีอุเบกขานี่พอสัมผัสกับลายขึ้นมานี่จิตจะเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีจะต้องเกิดอารมณ์เกิดอาการรักชังกลัวหลงขึ้นมาทันทีเหมือนกับหยดน้าบนกระดาษซับเนี่ย พอหยดน้ำลงไปกระดดดบนแผ่นกระดาษซับนี่มันดูดกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยชันใดจิตที่ไม่มีวเบกขาพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี้จะเกิดความรักชัางกลัวหรือหลงขึ้นมาทันทีจะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีถ้าเป็นกระต่ายก็เป็นกระต่ายตื่นตูมเนะนี่ย ก็เรียกว่าหลงตกใจคิดว่าแผ่นดินถลม่มนอนอยู่ใต้ต้นตาลพอลูกตาลหล่นลงมากำลังหลับสบายก็ตกใจตื่นคิดว่าโอ้ยแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวกระโดนวิ่งจ้าระวันไปนี่ก็ลักษณะของใจที่ไม่มีอุเบกขาจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รักที่ชอบหรือเรื่องที่ชังที่เกลียดมันจะทําให้ใจไม่มีความสุขรักก็ไม่มีความสุขพอได้ยินเรื่องราวที่รักก็อยากได้ขึ้นมาพออยากได้ใจก็ปั่นป่วนขึ้นมาพอได้ยินเรื่องที่เกลียดก็วุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้ามีอุเบกขาเวลาได้ยินเรื่องที่วุ่นเรื่องที่รักก็จะเฉยเฉย เรื่องที่เกลียดก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่ยินดียินไล่นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราฝึกสติเพื่อทำใจให้สงบใจจะมีความอิ่มความพอในตัวของมันเองจะมีความสุขหล่อเลี้ยงใจทำให้ใจไม่ต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในขณะที่ใจสงบในขณะที่ใจมีอุเบกขาแต่ความสงบหรืออุเบกขาของใจที่ได้จากสติมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสงบอุเบกขาที่ได้ก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น เวลาแช่อยู่ในตู้เย็นนี้มันเย็นเฉียบเนะี่ยพอเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเอามาตั้งไว้สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวความเย็นมันก็ค่อยๆหายไปอความร้อนมันก็จะเข้ามาแทนที่ใจก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิจะเย็นสบายจะเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่พอออกจากสมาธิได้สักพักหนึ่งนะี้ เดี๋ยวเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มรักเริ่มชังเริ่มโกรธเริ่มหลงขึ้นมาเพราะว่าสติไม่ได้ได้ทำลายความรักชังกลัวหลงถ้าต้องการให้ความรักชังกลัวหลงนี้หายไปอย่างถาวรต้องปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนาถ้ามีปัญญาปัญญาจะสอนใจให กลับมาเป็นอุเบกขาได้ด้วยการทาลายความรักความชังความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่จะหายไปถ้ามีปัญญาเวลารักอะไรชอบอะไรนี่ปัญญาก็จะให้พิจารณาสิ่งที่รักที่ชอบว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิจจังสุขขังอัตตา หรือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นเงินทองเห็นรถเกง๋งเห็นคอนโดสวยๆเห็นคนสวยๆงามๆหล่อๆมันจะคิดว่าเป็นนิจจังเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะให้ความสุขแบบถาวร จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดจิตที่มีกิเลสมีโมหะมีความหลงมันจะคิดอย่างนี้เวลาที่มันได้สัมผัสกับลาบยศจรลเสรินกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วมันก็จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาตัณหาความอยากพอเกิดความอยากความอยากนี้มันเหมือนความร้อน มันก็จะไปทำให้อุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้หายไปถ้าอยากจะไม่ให้อุเบกขาที่ได้จากสมาธิหายไปก็ต้องมองความจริงของสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาหรือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันแน่เต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูว่าถ้ามันเป็นนิจจังมันเป็น ของเที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องไม่มีวันเสือ่อมมันจะต้องอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้เงินมากี่ร้อยล้านมันก็จะต้องอยู่อย่างนั้นไปใช้เท่าไหร่มันก็ยังอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ร้อยล้านใช้วันละสิบล้านอีกสิบวันมันกลับมาดูที่ยอดก็ยังมีร้อยล้านอยู่อย่างนี้ถึงจเรียกว่า น, นิดจังแต่ถ้า มีร้อยล้านใช้วันละสิบล้านอีกสิบวันมาดูบัญชีอ้าเหลือศูนย์ได้หนูอะอย่างนี้มันก็เป็นอนิจจังเราวสิมันไม่ได้เป็นนิจจังแล้วเนี่ยต้องพิจารณาด้วยปัญญามันจึงจะเห็นความเป็นอนิจจังว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาเนี่ยห็นไหมคนมีบัตรเครดิตกดเอากดเอารูดเอารูดเอาพอสิ้นเดือนบินมาส่งมาที่นี้เออรู้ว่ากูหมดเงินได้หนูอะ บับัตินี้ไม่มีเงินแล้วเอาต่อไปไปรูดเขาบอกพี่เสียใจไม่มีเงินหนงเหลืออยู่แล้วอันนี้เรียกว่านิจจังหรืออนิจจังต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ได้เป็นนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังอะไรตามมาล่ะถ้าไม่ใช่ทุกขังใช่ไห เวลาเงินเงินหมดในบัญชีนี่สุขั้มดีใจไมโอ้สบายแล้วทีนี้ไม่ต้องมากังวลกับเงินในบัญชีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันอยากทุกข์แล้วกรูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ต่อไปลนะนี่คือทุกขังก็ตามมาพอเห็นว่าอะไรเป็นอ น, นิจจังก็จะเห็นทุกขังตามมาทันทีเราก็จะรู้ว่ามันเป็นดนัตตาเพราะมันไปแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันมันกลายเป็นศูนย์ จากร้อยร้านมันกลายเป็นศูนย์เนี่ยแล้วมันจะเป็นของเราได้อย่างไรอ่อ่านี่คือจะได้ข้อสรุปว่าอ๋อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสี่อย่างเนี่ยราบยศสละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็คุมทุกอย่างนะสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็คือรูปะ รูปนั้นมีทั้งของที่มีชีวิตกับของที่ไม่มีชีวิตมันก็เป็นอนิจจงเหมือนกันของที่มีชีวิตก็คือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบหรือร่างกายของคนที่เราเกลียดชังมันก็เป็นอนิจจงกันไปหมดเพราะมันเป็นรูปเสียงที่เราได้ยินเสียงจากคนนั้นเสียงจากคนนี้มันก็เป็นอนิจนนจ์ไม่มีนอะไรจีรังถาวร พิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันก็จะได้หยุดความอยากในลาบยศสระเสริญในรูปเสียงกลิน่นรัได้พออยากได้อะไรปั๊บพอคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ชะ ง, งักทันทีความอยากก็จะหายไปทันทีความร้อนที่จะมาทำให้ใจร้อนก็หายไปทันทีใจก็กลับมาเย็นเป็นอุเบกขาเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิทันทีนี นี่ละคือขั้นที่สองที่เราต้องทำถ้าเราอยากที่จะได้ความสุขแบบไม่มีก้างความสุขในขั้นที่หนึ่งคือขั้นสตินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะยังไม่ได้เอาก้างออกก้างก็คือความอยากเนี่ยการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันยังไม่ได้หายไปจากการทำใจให้สงบมันหายชั่วคราว ตอนที่เราเข้าไปในสมาธินี้กิเลสตัณหาหายไปหมดหาไม่เจอในสมาธินี้ไม่มีกิเลสตัณหาเพราะมันถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้เหมือนกับหินที่ไปทับหญ้าเวลาหินไปทับหญ้านี่หญ้ามันงอกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แต่พอยกเอาหินออกเดี๋ยวไม่กี่วันหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเอาสมาธิไปทับกิเลส ทับความโลภความโกรธความหลงทับความอยากความโลภความโกรธความหลงความอยากมันไม่โผล่ขึ้นมาเยอะๆพอมันไม่โผล่ขึ้นมามันเลยทําให้จิตมีความสุขมีความสบายแต่พอเวลาถอนออกจากสมาธิมาเพราะกำลังของสติอ่อนลงหมดกําลังลงเนี่ยทีนี้มันก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเริ่มทําให้ใจร้อนขึ้นมา เหมือนกับก้างมันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้ากินเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกก้างตําปากนะถ้าอยากที่จะให้ไม่มีก้างก็ต้องใช้ปัญญามาแกะก้างออกนเแยกเนื้อออกจากก้างมาทําเป็นลูกชิ้นปลาแทนะปัญญาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะมาแกะแกะก้างปลาที่ติดอยู่ในเนื้อปลาให้ออกไปให้หมดพอไม่มี ก้างเหลืออยู่แล้วเทนี้เคี้ยวไปยังไงกินไปยังไงเกินไปยังไงก็ไม่มีก้างที่จะมาตําขอต่อไปความสุขที่ได้จากการใช้ปัญญากําจัดก้างคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาที่ยังมีอยู่ในใจที่ยังไม่ได้ถูกกําจัดด้วยกําลังของสติสมาธิต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถกําจัดมันได้อ พอปัญญากำจัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เท่านั้นทีนี้ใจก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นบร ม, มสุขตลอดเวลาเป็นสุขตลอดเวลา ใ, ใจนี้ที่ได้ที่ได้บร ม, มสุขที่ได้ความสุขตลอดเวลานี้เรียกว่านิพานนิพานเป็นใจที่ไม่มีก้างก้างนี้ถูก เอาทำลายไปหมดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากในรูปเสียงกลิ่นนัดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่ความหลงที่ไม่เห็นที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตนี่จะถูกปัญญากำจัดไปหมดเลยพอไม่มีความหลงไม่มีความโลภความโกรธหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็เย็นใจก็สงบ ใจก็นิ่งใจก็เป็นอุเบกขาตลอดเวลาแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันหมดเพราะไม่มีอะไรมาทำให้มันหมดได้แล้วความสุขความสงบนี่ที่มันหายไปก็เพราะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจนี้เองแต่พอได้กาจัดมันหมดไปจากใจแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไป เดีอแต่ปละมังสุขขังนิ บ, บานาังประมังสุขขังเพราะใจเป็นนิบานาังประมังสูญยังสูนจากกิเลสตันหามโมหะอวิชา น, นั่นเองสูญจากความทุกข์สูนจากก้างเป็นเนื้อปลาล้วนๆเป็นลูกชิ้นปลาไม่มีก้างเนี่ยลูกชิ้นปลาต้องเปลี่ยนชื่อมันหมายว่าเป็นนิบานังประมังสูญยังนิบานังประมังสุขขัง ส่วนปลาที่มีก้างนี้มันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างตอนนี้พวกเรากินอะไรกันอยู่กินปลาที่มีก้างแล้วกินปลาที่ไม่มีก้างกันพวกเรายังทุกข์กันอยู่หรือเปล่าทุกข์ ก, กับเรื่องอะไรถ้าไม่ทุกข์กับเรื่องลาบยศสารเสญไม่ทุกข์กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ๆก็เพราะว่าเราไปหลงคิดว่ามันเป็นสุขกันนเ คิดว่าเป็นปลาเนื้อปลาที่ไม่มีก้างพอไปกินเข้าก็ เ, าเลยถูกก้างตาปปากเราก็ไม่ดูเขาเขียนไว้ก่อนว่านีจานนี้มีปลาไม่มีก้างจานนี้มีปลามีก้างเนี่ยเพราะไม่ศึกษาธรรมะไงเลยไม่รู้ว่าความสุขแบบไหนที่มีความทุกข์กับความสุขแบบไหนที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยถ้ามาศึกษาแล้วเนี่ยถึงก็จะรู้แล้วล่ะ ว่าเนี่ยความสุขในโลกนี้มีสองแบบด้วยกันความสุขแบบมีความทุกข์ก็คือความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภภานี้มีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันอนิจจงเนีพอมันอ น, นิจจงมันก็ทุกข์ขังขึ้นมาพอมันอ น, นิจจงทุกข์ขังมันก็อนาัตตา ม, มันไปแล้วมันหมดแล้วเนือศูนย์แล้ว มันน้อยล้านเหลือศูนย์ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ได้เป็นของเราแล้ว น, นี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษากันก่อนแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าความสุขนั้นมีกี่รูปแบบแบบที่มีทุกข์กับแบบที่ไม่มีทุกข์และวิธีที่จะหาความสุขแบบที่ไม่มีทุกข์ต้องทําอย่างไรก็ต้องทําด้วยการทําทานเนี่ย เลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆใช้ได้เพียงแต่ซื้อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายอันนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถือว่าเป็นความจำเป็นที่ยังต้องเลี้ยงดูร่างกายอยู่ก็ต้องมีเงินทองบ้างหรือถ้าไม่ไม่อยากจะใช้เงินทองอเพื่อซื้อปัจจัยสี่ก็ไปเป็นบวชไปเป็นนักบวช แล้วก็จะมีคนหาปัจจัยสี่ให้มีคนยินดีที่จะสนับสนุนให้ไปปฏิบัติจเจริญสีลสมาธิปัญญา mm hmm. เพื่อที่จะได้พบกับความสุขแบบที่ไม่มีทุกข์ mm hmm. เพื่อที่หลังจากที่ได้พบแล้วจะได้มาสอนคนอื่นต่อไปได้ศร mm hmm. ัทธายาโยามที่เขาสนับสนุนนักบวชนี่น mm hmm. เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นคนแทงม้าแข็งนี่ เขาต้องการให้ม้าตัวนี้ชนะเขาก็เลยต้องเชียร์ม้าตัวนี้หน่อยต้องสนับสนุนม้าตัวนี้ให้เงินสนับสนุนม้าตัวนี้เพื่อให้ม้าตัวนี้มีกำลังวังชาที่จะวิ่งไปสู่หลักใจเนี่ยการที่ศรัทธาญาติโยมสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้านี้ก็เพื่อที่ต้องการที่จะให้พระสงฆ์องค์เจ้านี้ได้สำเร็จได้บรรลุธรรม ได้เป็นพระอรหันต์เพื่อที่จะได้มาเป็นที่พึ่งของศรัทธาญาติโยมนั่นเองเพราะญาติโยมนี้ยังหาความสุขแบบไม่มีทุกข์ไม่เจอไม่รู้ว่าหาอย่างไรต้องอาศัยคนที่ไปศึกษาและปฏิบัติและบรรลุธรรมถึงจะสามารถที่จะมาสอนมาบอกศรัทธาญาติโยมได้ว่า วิธีที่จะทำให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์นั้นทำอย่างไรเขาก็เลยยินดีสนับสนุนใส่บาตรทุกเช้าถวายกุฏิสวายผ้าป่าผ้าผ้าผ้าป่าผ้ากรถินนถวายยารักษาโรคอะไรต่างๆพร้อมบริบูรณ์ในเรื่องปัจจัยสี่ เพื่อที่จะได้ให้พระสองฆ์ของเจ้านี้ไม่ต้องมากังวลกับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้เอาเวลาทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติไปหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์นะพอมีเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์พอพบแล้วทีนี้ก็ สามารถมาบอกผู้อื่นได้นะแล้วผู้ที่ได้พบกับความสุขแบบไม่มีความทุกข์นี้ก็เป็นพวกที่ไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรจากใครด้วยมาสั่งมาสอนมาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเพราะว่าในใจนี้มันได้ผลประโยชน์เต็มร้อยอยู่แล้วจะได้อะไรมามากอีกมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ทำให้ในใจมีเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์สุขที่ใจได้จากการศึกษาจากการปฏิบัติจากการบรรลุ ธ, ธรรมนี้มันเต็มร้อยตลอดเวลาจะไปทําประโยชน์ไปไม่หรือไม่ทําประโยชน์จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนนี้มันไม่ได้ทําให้ประโยชน์สุขในใจของผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมนี้มากขึ้นหรือน้อยลงมีอยู่เท่าเดิม ดังนั้นท่านจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้แล้วแต่ความพอใจของท่านแต่ส่วนใหญ่ถ้าท่านมีความสามารถที่จะสอนได้ท่านก็สอนกันสอนมากสอนน้อยก็แล้วแต่ภูมิปัญญาในการสั่งสอนภูมิปัญญาในการสั่งสอนนี้ต่างจากภูมิปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ ธ, ธรรมภูมิปัญญาที่ใช้การบรรลุ ธ, ธรรมนี้มี ต้องมีเท่ากันถึงจะบรรลุธรรมได้แต่ภูมิปัญญาที่เอามาใช้สั่งสอนนี้มีมากน้อยต่างกันได้เพราะเป็นภูมิปัญญาที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการนำเอาความรู้ที่ได้บรรลุจากการปฏิบัติธรรมนี้มาสั่งสอนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ประกอบจากการได้ยินได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าเวลาสอนธรรมนี่คนที่มาฟังแต่ละคนมีภูมิมีมีอะไรมีแม็กกราวไม่เหมือนกันชาวนาชาวไร่เรียกว่าเป็นพ่อค้าธุรกิจนี่เวลาแสดงธรรมนี้ต้องเอาเรื่องของชาวนาชาวไร่มาสอนเวลาสอนชาวนาชาวไร่เวลาสอนพ่อค้านักธุรกิจก็เอาเรื่องของพ่อค้านักธุรกิจมาสอน มาเป็นเครื่องประกอบในการที่จะเปรียบเทียบถึงธรรมที่มีอยู่ในใจนี้ว่าเป็นอย่างไรเอย่าเช่นวันนี้ก็เห็นพวกญาติโยมเป็นพวกชอบกินปลากันนี่ก็ต้องเอาเรื่องเนื้อปลามาสอนจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนถ้าเอาไปเอาเรื่องอื่นมาสอนเดี๋ยวก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนี่ยเวลา ที่พระ เ, เจ้าทรงสแสดงธรรมเนี่ยฉันจะดูว่าคนฟังธรรมนี่เขามีามีหน้าที่การงานอย่างไรเขาเป็นชาวนาชาวไร่แท่งกระสอสนเอาเรื่องของชาวนาชาวไร่มาเป็นตัวอย่างเช่นจิตใจนี่ก็เป็นเหมือนเนื้อนาต้องเพาะปลูกถึงจะเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นมาก mm hmm. ็ต้องมีการคาดมีการไถมีการหวน มีการหว่านมเมล็ดแล้วก็มีการคอยคอยคอยดูแลให้ไม่ให้ขาดน้ำแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ผลต้นไม้ที่ปลูกก็จะออกดอกออกรวงต้นข้าวก็จะออกรวงออกรวงขึ้นมาใจก็เหมือนกันใจต้องการสร้างความสุขก็ต้องมีการมีการมีการหว่านมีการไถมีอะไรต่างๆ ไปเปรียบเทียบให้ฟังมเช่นการทําบุญทําทานการรักษาศีลการภาวนานี่ก็เป็นเหมือนกับการถ่ายนาแล้วก็หวานแล้วก็มีการปรับดําอะไรมีการเก็บเกี่ยวตามลําดับต่อไปนี่นี่คือเรื่องของภูมิปัญญาในการสั่งสอนนี่ต่างกันคนที่มีภูมิปัญญามากก็จะสอนได้เก่ง ได้กว้างขวางกับคนที่มีภูมิปัญญาน้อยครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเนี่ยบางองค์นี้ท่านสอนได้กว้างขวางมีคนศึกษาเริ่มเรียนจากท่านเยอะครูบาอาจารย์บางคนนี้มีธรรมะน้อยๆสั้นๆคำํำสองคำคือสอนแบบทั้งดุนเป็นไม้ก็เป็นไม้ทั้งดุนคุณต้องเอาไปตัดเอาไปเอาไป เอาไปผ่าเอาไปตัดเอาไปทำอะไรเองแต่ถ้าครูที่เก่งก็จะสอนวิธีตัดต้นไม้ผ่าต้นไม้ทำต้นไม้ทำไม้ให้เป็นชิ้นชนิดต่างๆแล้วแต่ความรู้ความสามารถอันนี้ต่างกันแต่ภูมิปัญญา ที่จะทำให้บรรลุธรรมที่จะให้เข้าถึงความสุขแบบไม่มีความทุกนี้เท่ากันต้องมีเหมือนกันคือต้องมีเห็นตายรักเหมือนกันเห็นตายรักในราบยศ ร, ศรเสรินสุขต้องมีสติควบคุมจิตใจให้เข้าสู่สมาธิได้เหมือนกันอันนี้มีเท่ากันแต่จะต่างกันก็คือภูมิปัญญาที่มาจะมาแสดงธรรมนี้ต่างกันเนี่ย ภาษาลีบุตรจึงถือพระพุทธเจ้ายกย่องว่าลองจากพระพุทธเจ้านี้ก็คือภาษาลีบุตรในความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมเหลือนี่คือเรื่องของผลที่เกิดจากการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้พบกับความสุขที่ปราศจากความทุกข์ แล้วก็จะได้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่เห็นต่อไปผู้ที่มีความมีความรู้ความสามารถที่จะยกตัวอย่างต่างๆมาแสดงก็จะเป็นผู้ที่สอน สอนให้ผู้อื่นได้เห็นทำได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะยกตัวอย่างต่างๆขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาสอนเด็กเนี่ยคนที่วาดการ์ตูนเก่งเนี่ยเด็กจะชอบวาดภาพเก่งๆเนี่ยวาดให้เด็กดูเด็กก็จะเข้าใจ คนที่วาดภาพาไม่เป็นอธิบายไงพูดยังไงไก่มันเป็นอย่างางั้นไก่มันเป็นอย่าง น, น, น, น, างนี้เด็กฟังมันก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่พอวาดวาดตัวไก่ให้ดูนัโอ้ยรู้เลยว่าไก่เป็นยังไงนอนี่คือความสามารถในการสั่งสอนภาพอาหารท่านมีความต่างกันในความสามารถในการสั่งสอนบางองค์ก็สอนเก่งบางองค์ก็สอนไม่เก่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่า มปนเรื่องถือว่าเป็นงานอดิเลก ข, ของสําหรับท่านถ้าท่านมีความสามารถท่านก็ทําไปท่านไม่มีความสามารถท่านก็ไม่ได้ทําท่านก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนเพียงแต่ไม่ได้ช่วยให้คนอื่นเขาได้มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเองนะครั นี่คือเรื่องของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะเป็นผู้มาสั่งมาสอนให้เรารู้จักความสุขชนิดที่ไม่มีความทุกข์และจะสอนวิธีที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่ไม่มีความทุกข์อันนี้คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็นี่ก็คือเรื่องราวที่ขอมาฝากท่านไว้เพียงเท่านี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยะามะนีโชติระโสยะาสัพพิติโยวิวาจานโตสัพพะโรโควินัสโตมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมวัานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ เพราะจะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้วมันจะโกลาหนจะต้องมีต้องทำอะไรต่างๆอีกไม่สะดวกที่จะมาตอบคำถามยังอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองอยากจยากเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา541 YouTube 357 วิทย์ออนไลน์สิบรับฟังข้า่องบนนี้หกสิบหกคนรวมทั้งหมดเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ครับใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมค์ไปให้มีใครอยากจะถามไหมไม่มีอะเอาคำถามทางบ้านต่อคำถามจากทาง Facebook คุณบุญครับการสวดมนต์ไหว้พระจำเป็นต้องมีพระพุทธรูปทุกครั้งหรือไม่ครับ อ๋อไม่ต้องหรอกพระพุทรูปนี้แล้วแต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้การสวดมนต์สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีคือสติถ้าไม่มีสติสวดไปก็ไม่เกิดผลอะไรสวดไปคิดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่กับการสวดนี้เรียกว่าสวดแบบไม่มีสติยังต้องมีสติต้องให้บังคับให้มันสวดอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นถึงจะได้ประโยชน์ได้ผลคือความว่างความเย็นความสบายของใจ คำถามจากคุณ น, นัชชาคำถามแรกถ้าอาจารย์มีพลังจิตมากสามารถใช้พลังจิตตัวเองหนุนให้ลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้เร็วจริงหรือไม่ครับก็พลังจิตในการสั่งสอนไงแต่พลังจิตในทางสมาธินี้ของใครของเหมือนแบ่งกันให้กันไม่ได้แบ่งได้ก็ดีญาติโยมไม่ต้องมานั่งพุทโทให้เหนื่อยเดี๋ยวนั่งเฉยเดี๋ยวจะส่งไปให้บัญชากันในเครื่องโทรมือถือบัญชาไม่ได้ไง แชร์ได้แต่ความรู้วิธีที่จะทำให้จิตสงบเดี๋ให้กำลังใจฟังฟังเทศน์ธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วมีกำลังจิตกาลังใจที่จะไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพราะท่านจะบอกคุณประโยชน์ที่จะได้รับว่าเป็นอย่างไรพอฟังแล้วก็ทำให้เราอยากได้ขึ้นมาก็เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติขึ้นมาถ้าปฏิบัติเองปฏิบัติไปเดี๋ยว กิเลสมันก็มาหลอกปฏิบัติไปทํำไมปฏิบัติไปไงก็ไม่ได้ชาตินี้ยุคนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานมันก็ทําให้หมดกําลังใจแต่พอไปฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตมีพลังธรรมท่านก็บอกสู้เลยเอาเลยตายเป็นตายธรรมะนี้อยู่แค่ปลายปลายจมูกเรานีอ่อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่พอท่านพูดอย่างนี้มันก็ทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมา คำถามที่สองเมื่อนานมาแล้วระหว่างทำสมาธิวันหนึ่งโยมทำได้นิ่งทันใดนั้นจะเห็นแสงสว่างมากตรงหน้าพุ่งเข้ามาเหมือนเปิดไฟสปอตไลท์ต้องต้องทำอย่างไรต่อครับก็ไม่ต้องไปสนใจใ ห, ให้รู้เหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปสนใจให้มีสติอยู่กับใจ ควบคุมใจให้นิ่งต่อไปอย่าไปปรุงแต่งว่าโอ้ยนิพานมาหาเราแล้ ว, ลวหรือเท่ามาหาพรหมมาหาเราแล้วอะไรอันนี้เป็นความหลงเป็นความหลอกอย่าไปคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้คำถามจากผู้ฝากถามเชื้อไวรัสมีวิ ญ, ญญาณครองหรือไม่ครับไม่มีหรอกไวรันมันไม่มีตาหูจมูกมือกาย การจะมีวิญญาณได้ต้องมีตาหูจมูกลิ้งกายเพราะดวงวิญญาณมันต้องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายในการตอบสนองความอยากของมันคำถามจากคุณโอกาวะผมมีองค์พระที่เป็นรูปปั้นจำนวนมากครับจะนำองค์พระไปถวายวัดได้ไหมครับเพราะนับถือในคาสอนมากกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุครับก็ไปถวายวัดที่เขาอยากได้อย่าไปถวายวัดที่เขาไม่อยากได้ บางวัดเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องพระพุทธรูปเรื่องวัตถุเขาเน้นเรื่องการปฏิบัติแต่บางวัดเขาก็เน้นเรื่องเรื่องวัตถุก็ไปก็ไปให้วัดที่เขาอยากได้เนี่ยคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่เวลาที่สวดมนจะเห็นกายตัวเองรวมเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับเห็นจิตเข้าสู่สภาวะนิ่งฟังเสียงสวดของตัวเองอยู่ แต่ได้ยินคนเคยพูดว่าการทำแบบนี้คือการแยกจิตออกมาดูการสวดของตัวเองไม่ได้มีสมาธิอยู่กับการสวดมนต์ที่แท้จริงเพราะว่าควรมีสติและจิตอยู่กับคําสวดหนูเลยอยากถามว่าปฏิบัติผิดหรือไม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนงปฏิบัติยังไง ถ, ถ้าสวดไปแล้วไม่ไปคิดเรื่องราวอะไรแล้วจิตสงบก็ถูกถ้าสวดแล้วเริ่มเห็นหนู่นเห็นนี่มันก็ไม่ถูก ไม่ต้องการให้เห็นอะไรากิจการสวดต้องการให้เห็นความนิ่งความสงบของใจเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณโอคำถามแรกตั้งใจรักษาศีลอุโบสถที่บ้านในวันพระสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะต้องกล่าวคําว่าอุโปสถังหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องหถ้าถือสิแม่เรียกถืออัถะอัฐะสีลายาจามิก็อพอยาจามา คือถือศีลแปดมันเป็นศีลนั่นเดียวกันที่มีอุอโบสถก็เพราะเป็นรักษาที่พระอุโบสถในโบสถ์คือตามธรมธรมเนียมของวัดของชาวบ้านวัดจะไม่มีที่อยู่ให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นวัดมีแต่ที่อยู่ของพระแล้วก็ถ้าอยากจะไปปฏิบัติเขาก็เลยให้ไปนอนที่โบสถ์ไปปฏิบัติในโบสถ์กันไปรักษาศีลในโบสถ์ไปสวดมนต์ในโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์ เส็จแล้วก็นอนในโบสถ์ไปเขาก็เลยไปรักษาศีลแปดในโบสถ์ศีลปดก็เลยกลายเป็นอุโบสถศีลไปคำถามที่สองสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนับเวลาไหนถึงเวลาไหนครับก็ยีสิบชั่วโมงอะคุณเริ่มต้นตรงไหนคุณก็มาจบตรงนั้นเริ่มตอนบ่ายโมงก็มาจบตอนบ่ายโมงแต่าตามหลักของวันทางโบราณเขานับตั้งแต่ตะวันขึ้นมา พอสว่างปั๊บก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วก็ต้องรอให้ถึงวันใหม่ของวันพรุ่งนี้ถึงจะครบหนึ่งวันหนึ่งคืนและเมื่อถึงเช้าจะเปลี่ยนเป็นรักษาศีลห้าต้องลาศีลแปดก่อนหรือไม่ครับก็ทำความเข้าใจในตัวเราเองว่าพี่คอเปลี่ยนเกียร์ตอนนี้เปลี่ยนจากศีลแปดมาเป็นศีลห้าก็เท่านั้นเองไม่ต้องทำพิธีก็ได้ ไม่ต้องไปหาพระขอเปลี่ยนศีลเงี้ยเปลี่ยนกันด้วยทุกวันต้องไปหาพระเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นศีลแปดเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นศีลห้าอันนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวของเราเองเราเพียงแต่กำหนดขึ้นมาว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลาพรุ่งนี้เวลาเดียวกันพอพ้นจากเวลานั้นก็จะรักษาศีลห้าต่อก็อจบก็ ม, มีแค่นี้คาถามจากคุณชงโชต เมื่อหลายปีก่อนผมไปกราบพระที่เชียงใหม่ท่านเมตตาสอนกรรมฐานให้ทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาขันห้าลงสู่ใจรักวันหนึ่งได้ฟังเทศจากพระรูปหนึ่งบอกว่าถ้าเดินจิตถูกต้องจิตเ จ, จเริญปัญญาเองอยากทราบว่าถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นเราสามารถใช้สัญญาพิจารณาขันห้าลงสู่ใจรักได้หรือไม่ครับได้แล้วต้องบังคับมั น, มนอยู่ดีๆมันจะไม่ไปเอง การได้สมาธินี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ปัญญาโดยอัตโนมัติปัญญาจะเกิดจากการที่เราบังคับให้มันพิจารณาขันห้าพิจารณาตายรักมันถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคำถามจากคุณนุกเวลาที่เราจะตายต้องทำอย่างไรให้เข้าถึงอารมณ์พระนิพพานหรือมันจะขึ้นมาเป็นปัญญาอัตโนมัติหรือเราก็ยุบหนอพองหนอตามท้องไปตามปกติครับ คือนิพพานมันไม่มาต้นธรรมะตอนที่เราตายหรอกถ้ามันมาก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปฏิบัติกันให้เหนื่อยยากเราตอนเวลาตายก็รอให้นิพพานเข้ามานิพพานมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ปฏิบัติจนกระทั่งเราสามารถสร้างนิพพานให้เกิดขึ้นในใจของเราได้พอเรามีนิพพานในใจของเราแล้วเวลาเราตายนิพพานมันก็จะเข้ามารับเราไป แต่ถ้าเราไม่มีรอไปจนวันตายมันก็ไม่มาถ้าอยากจะให้นิพพานมารับเราตอนเราตายแล้วก็ต้องมาสร้างนิพพานตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายคำถามจากผู้ฝากถามตอนนี้โยมไม่ได้ไปใส่บาตรถวายสังฆทานได้แต่สวดมนต์เกือบทุกวันเจ้าค่ะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอยู่ที่บ้านแล้วก็กรวดน้ำเช้า สิ่งเหล่านี้ที่โยมปฏิบัติเสมือนว่าโยมได้สะสมบุญครบใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่ครบหรอกถ้าไม่ได้ทําทานก็ไม่ได้ทําทานนะทําแต่สวดมนต์ก็ได้การเจริญสติการเจริญสมาธิถ้าอยากจะทําทานถ้าไม่ได้ไปเองก็ฝากคนเข้าไปหรือสั่งใครให้เขาช่วยใส่บาตรให้ถ้าไว้ใจได้ถ้าไม่มั่นใจก็โอนเงินเข้าบัญชีวัดไป ออเบิจากค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารอะไรไปถึงจะได้ทำครบรักษาศีลทาทานแล้วก็ภาวนาคำถามจากคุณชัยนรงค์ตอนนี้ปลีกตัวมาปฏิบัติที่วัดปาด่ามีความว้าเหวและท้อแท้อยากทราบว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ใช้วิธีใดระงับอารมณ์เหล่านี้ครับก็ใช้สติไงอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆโดยไม่มีสติ พออยู่เฉยๆปับความอยากก็เกิดขึ้นมาอยากไปเที่ยวอยากจะไปพบคนนั้นคนนี้พอไม่ได้ไปมันก็เลยรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวนเวลาอยู่คนเดียวนี้ต้องอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆต้องให้มันมีงานทำต้องให้มันพุทโทพุโทโธไปฟังเทศไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมไปมันถึงจะไม่เหงาถึงจะไม่ว้าวเวยคาถามจากคุณวิรัต ผมเดินจงกรมกําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นเวลา45นาทีแล้วก็มานั่งต่อโดยกําหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธใช้เวลานั่ง45นาทีจะได้ไหมครับเพราะเกรงว่าการกําหนดตอนเดินกับนั่งกําหนดคนละแบบครับไม่เป็นไรเหมือนกันจะแบบไหนก็ได้มันก็ได้สติเหมือนกันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริการพุโทโธ บ, บางที รัวจนไม่เป็นคำว่าพุโทโธแต่จิตก็ตามระลึกมีสติอยู่แบบนี้ถูกไหมครับหรือต้องบริกรรมพุโทโธให้เป็นคำชัดๆครับแ้แต่ตามใดที่เราควบคุมความคิดได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้ได้คำถามจากคุณวัสวุฒิช่วงนี้ควรไปทำบุญที่วัดไหมครับกลัวพระเพิ่มโอกาสติดโควิดครับก็เหนื่อเข้ามาทากันเนี่ยไม่อม กลัวติดไหมโควิดเข้าวรอะไรมาวัดนี่เวลาไปที่อื่นไปได้พอจะไปวัดกลัวไปติดที่โควิดที่วัดนี่ถ้าเราไม่ออกจากบ้านเลยก็ไม่ต้องไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่กลัวไปติดที่วัดแต่ถ้าไปที่โรงหนังยังไปอยู่ยังไปไปที่เที่ยวที่เล่นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่กลัวจริง กลัวแบบกิเลสกิเลสเป็นกลัวทำบุญทำทานมาเลยก้างโควิดขึ้นมาไปแล้วขาดทุนเสียเงินเสียทองแต่ถ้าไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมันได้กําไรมันก็ไม่คิดถึงโควิดนะคาถามจากคุณกัญยารักษการเจอคนโมโหร้ายหรือผู้จาไม่ดีใส่เราควรทําใจอย่างไรเพื่อรับมือครับเอก็เหมือนคือไปเจอขยะก็แล้วกันะ เวลาไปเจอหมาดุเวลาเจอหมาดุทำไมก็อยู่ห่างๆถือไม้เตรียมไว้อย่าให้มันเข้าใกล้คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ครับการ เ, าเกี่ยวกับอนิจังกับอนัตตาในกรณีที่คนรักเลือกที่จะจากไปตามความเข้าใจคืออนิจังคือความไม่เที่ยงเขาอยากไปก็ไปแต่เราคิดว่าเขาเป็นของเราทำให้ทุกข์ และอนัตตาหนูไม่เข้าใจเจ้าค่ะเขาไม่มีตัวตนเป็นสมมุติหรือยังไงคะเขาไม่ใช่ของเราไงอัตตก็เป็นของเราอนัตตาก็ไม่ใช่ของเราถ้าของเราเขาก็ต้องอยู่กับเราต่อไปเขาไม่อยู่กับเราแล้วก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่เราไปหลงคิดว่าเขาเป็นของเราพอเขาไปเราก็เลยเสียใจแต่ถ้าเรารู้ต่างต่เบื้องต้นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวเขาต้องไปอีเวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียใจ คำถามจากคุณโอเมื่อวานได้ฟังพระอาจารย์ตอบคําถามว่าเข้าสารไม่ควรใส่บาตรยมเลยเกิดความสงสัยว่าเวลาทางวัดจัดงานตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งในวันสําคัญสมควรหรือไม่ครับเพื่อทางวัดเขาจัดแล้วก็เอาของพวกนี้ไปแจกมั้งบางทีไปบอยแจกให้กับสถานเลี้ยงเด็ดกกำพร้าหรือไปเอาให้วัดที่อยู่ไกลกันดารที่ไม่มีอาหารการกินสมบูรณ์ เราก็ไปให้โรงครัวของทางวัดเขาจัดอาหารทํำอีกทีเพราะถ้าเอาอาหารสดไปมันมันเน่าบูดหมดเก็บไว้ไม่ได้นานเขาก็เลยจัดให้ถวายของของของแห้งไปเช่นในวันปีใหม่นี่คนใส่บาตกันเยอะถ้าใส่ของสดนี่ภาครินไม่หมดเราเอาไปแจกคนกินก็กินได้แค่วันเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของแห้งก็เก็บไว้ได้หลายวัน คน่ยได้กินได้หลายวันคนนือพระก็แล้วแต่ว่าจะาไปแจกให้ใครแต่บางทีมันก็ไม่ดีอย่างเราก็เคยเจอวันปีใหม่เนี่ยไปบินทบายเจอแต่ของแห้งหมดเลยของสดไม่มีกิน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ ม, <c oughs> ไมีไม่เผื่อคนไม่เผื่อให้คนที่ก็ต้องกินวันนั้นงงไง ก็ต้องมีบ้างมีทังง้งของสดหน่อยสาหรับให้ภา ก, กินในวันนี้แล้วส่วนของส่วนใหญ่ก็ เ, เป็นของแห้งไปนี่บ้านเป็นของแห้งหมดเลยเป็นตาบาปบางปีมานี้เหนื่อหน่อยเป็นตาบาปมากก็ไม่ได้กินคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสามีไปมีผู้หญิงอื่นถ้าเราอยากพาลูกไปอยู่ที่อื่นอาจจะไม่ได้เจอหน้ากัน จะเป็นการภาคลูกและพ่อจะเป็นบาปใหมเจ้าคะก็ถามลูกดูเลยถ้าลูกทุกข์ก็บาปนะถ้าไปทำให้ลูกเขาทุกข์ก็บาปยังั้นก็ต้องหาวิธีจัดการหรือไม่เช่นนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องของตายลักไปก็แล้วกันว่ามันเมื่อมีเหตุการณ์ที่จะต้องพัดภาคจากกาันก็พัดภาคจากกาัน หรือถ้าถ้าไม่อยากจะพาลูกก็เอาลูกให้อยู่กับสามีไปแล้วเราก็ไปตัวของเราไปคนเดียวก็แล้วกันแล้วบอกลูกว่าถ้ายิถ้ถเถกแม่ก็โทรมาหาได้คุยได้แม่พร้อมที่จะต้อนรับลูกเสมอถ้าลูกอยากเยอะก็ถามลูกสิว่าลูกอยากจะอยู่กับใครเพราะตอนนี้แม่กับพ่อต้องไปคนละทางแล้วลูกให้ลูกเป็นคนตัดสินใจ อ, อย่างนี้ก็ไม่บาปเราไม่ได้ไป ตั้งใจทำให้เขาทุกข์แต่เหตุการณ์มันบังคับให้ชีวิตของเราต้องแยกทางเดินกันไปมันไม่เที่ยงมันถึงเวลาที่จะต้องแยกทางกันส่วนลูกก็ปล่อยให้เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะอยู่ที่ไหนอยากจะอยู่สองที่ก็ได้อยู่กับแม่อาทิต์หนึ่งอยู่กับพ่อาทิต์หนึ่งก็ได้ก็แบ่งกันไปพากันไปกลับไปกลับมา อ, อันนี้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้พูดกันได้คุยกันได้ คำถามจากผู้ฝากถามครับ เ, เป็นโรคซึมเศร้าสามารถบวชได้หรือไม่ครับก็ถ้ายัางไม่มีสติที่จะมา ท, ทาให้มันหายซึมเศร้าบวชไปก็ทำอะไรไม่ได้เขาไม่รับหรอกคนที่เป็นโรคคนที่ไม่พร้อมที่จะไปบวชก็ว่าการบวชนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ที่จะสามารถศึกษาปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ เหมือนไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนถ้าเด็กมันซื่อบื้อเขาก็ไม่รับเลยการบวชไม่ใช่เป็นการมาแค่โกนหัวนุ่งผม น, นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วก็มานั่งกินนอนกินที่วัดไม่ใช่นี่ไม่ใช่เป็นการบวชการบวชเพื่อมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติถ้ามีความซึมเศร้าไม่สามารถเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่รับมามามาบวชมาเรียนออนอกจากวัดบางวัดไม่เลือก ใครอยากจะบวชก็รับบวชแล้วก็ปล่อยให้อยู่ไปตามยถากรรมไม่มีใครมาคอยสั่งคอยสอนคอยปฏิบัติแล้วก็อาจจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อไปทำให้ศาสนาเสื่อมเสียก็ได้คำถามจากคุณบุญในสมัยพุทธกาลที่เมืองไผ่สาลีเกิดโรคระบาดพระพุทธเจ้าให้พระ อ, อนุนสวดพระปริศปัจจุบันมี โรคระบาดเราสามารถสวดพระป ร, ะริตได้หรือไม่ครับคือการสวดไม่ได้ไปการกำจัดโรคเขา้าใจไหมกำจัดความทุกข์ mm. คือให้ญาติโยมได้ฟังเทศ ฟ, ฟังการสวดใจจะได้สงบใจสงบแล้วจะได้หายเครียด ไม่ไปเครียดกับโรคภัยที่ระบาดอยู่ในตอนนี้อันนี้ให้เรามาสวดมนต์กันอย่าไปคิดถึงแต่โควิดหนึ<ม>่งเก้าโควิดหนึ่งเก้ายิ่งคิดมันก็ยิ่งเครียดเนีให้มาคิดถึงบทสวดมนต์อิีติปิโสก็ได้อะไรก็ไ ด, ด, ด้สวดไปสวดไปแล้วมันก็จะลืมเรื่องโควิดสิบเก้าไปแล้วความทุกข์ในใจก็จะหายไปชั่วคราวพอกลับไปคิดถึงโควิดใหม่ก็สวดใหม่ อย่าห้ามใจอย่าให้มันไปคิดถึงโควิดเดี๋ยวต่อไปใจก็เฉยกับโควิดได้มันจะมาก็เรื่องของมันมันจะไม่มาก็เรื่องของมันแต่เราสบายใจเพราะเรามีวิธีแก้ความไม่สบายใจของเราคือการสวดมนต์นี่คาถามจากคุณเอูที่บ้านมีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตในครอบครัวถ้าไม่ถึง100วันให้จุดธูปเรียก เพื่อให้รับอาหารที่เตรียมให้ในทุกๆวันอยากจะทราบว่าเป็นการว่าเขาจะได้รับหรือไม่ครับก็อาหารนี่ยเราเคยชั่งน้ําหนักดูว่าเปล่าก่อนที่จะเรียกเข้ามาแล้วหลังจากที่เรียกเข้ามาแล้วดูเชว่าน้ําน้ําหนักของอาหารนี่มันลดน้อยลงไปหรือเปล่าถ้ามันเท่าเดิมก็แสดงว่าไม่มีใครมากินนะเขากินไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่มีร่างกายก็มีเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณจะกินได้ก็คือบุญนั้นน่ะเราต้องส่งบุญไปเอาอาหารที่เรามาตั้งเส้นเขาเนี่ยเอาไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วเราก็จะได้อุทิศบุญได้เอาบุญนี้ส่งไปให้เขาได้ส่วนเขาจะมารับหรือไม่มารับนี้อยู่ที่เรื่องของเขาบางทีเขามีของดีกว่าเขาก็ไม่มารับถ้าเขาไปเจอร้านอาหารที่อร่อยกว่าในโลกทิพย์เขาก็ไม่มารอรับอาหารที่เราส่งไปก็ได้เหมือนแล้วใช่ไหมโอเค